ออากาศคุ้มปู่ครับคุยที่นหน่อ ย, อยนึงเพรกะอีกสามอาทิตย์ไม่อยู่แล้วเมเลินไปแล้วหายไปสามอาทิตย์เวลาจำกัดไปไปทำงานไม่ได้พักต้จะไปอินโดมาอินโดม า, า, า ก, ก็ไปงานบุกกวงไปงานบุกกวงถูกหวยหลายรอบเลย ไม่เคยซื้อหวยบ้างฮะไ่ถูกหวยหลายรอบแต่ไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อหวยไม่ถูกหวยนะ mm hmm. กลับมาไปสิงคโปร์ต่อนคนอื่นหมหลายรอบแล้ว mm hmm. มาถึงปูขวงเจ้โาโสกะลามเทศ มาตือสองสามรอบแล้วไปิดสักสามวันก็อย่างดีอะขอไปให้หน่อยพูด ถ, ถึงงานลุงปูกปวงภาพรวมก็เรียบร้อยดีเว่าภาพเทนไม่น่าเกิดไม่น่าเป็นทัางๆมีป้องกันไาแล้วคิดไวแล้วแต่มันก็ยังเกิดที่้องพ่อบอกว่าถือหวยประว่า ไปวันแรกมันได้ตั้งหลงทางเนะหัวแก๊สหายแล้วหัวแก๊สใหม่ใหม่พันกว่าบาทมันก็ไม่เยอะประมาณเกือบเกือบสองพัน 2, ถ้าใหม่แล้วแต่ยี่ห้องมากคงจะไปใช้ต่อที่อื่นปัน้ที่อื่นมันไม่มีแก๊ดแต่มันก็ลงลงไปที่ร้อนๆ น, นั่นแหละ ก็ไปที่ร้อนๆจะได้ร้อนน้ำเพราะฉะนั้นของหายภายในวัดทั้งของที่มาร่วมงานอะไรเฉพาะที่รู้และก็บันสุดท้ายถูกไว้อย่างหนยปัจจัยที่เตรียมสำรองไปใช้ทุกอย่างในงาน คือฉูกเฉินนั้นนี่นึงที่จริงคิดอะไรไว้มันมันชาบเป็นเพราะะนั้นก่อนไปดูหัวแก้น<ม>ก็ไปดูพิจารณาเลย ม, มันจะถึงพุ่งนี้หรือเปล่าอ๋อพุ่งนี้หายจริงจริง<ม>กับปัจจัย<ม>ที่ส่วนตัวเอว้ยกทิรูเรื่องเบาหากุญจไม่มีเจริญหร เป็นลูกบิดต่เอาไม่อยู่ลูกบิดเลยใส่สายอยู่กุญแจเป็นล็อกแต่ว่าประตูราถางเป็นมุ้งลวดเพราะวันสุดท้ายเนี่ยเขาต้องไปสวดมนต์กันพัดทำงานก็ขึ้นไปสวดมนต์กันหมก็เห็นแล้วว่ามันเป็นคนแปลกหน้าเป็นพระนี่แหละเพราะโซนที่อยู่ส่วนข้างนั้นม่ีใครเข้าไป ชาวบ้านเป็นไปไม่ได้ะมีภาพแปลกๆหน้าเดินบนเบียนคิดใด้ใจกันแล้วก็ต้องระวังระวังเองอ้โดนจริงๆเลยมันเอาจะ่ใส่ในตัวกระเป๋าไม่เอาเป็นเอาแต่ปใจไปตัวใส่ไในไม่เอาเป็นเอาแต่กระเป๋าเปล่า เนี่ยเพราะว่าบ้านเรามันน่าสิได้ตรงที่ว่าโดยภาพรวมก็คือเราไปสอนเรื่องการให้ทานเยอะไปวัดไหนแต่และวัดไปพาลานาละออ้ะมีทลายค่าม อ, อดตัว ยิงย่งให้ยิ่งดียิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งหมดตัวยิ่งรวยรวยไม่รู้เรื่องรวยก็ไม่รู้เรื่องเลยนะถ้ารวยไม่รู้เรื่องเราจะรวยไหมรวยไปรู้เรื่องี้ยอยากรวยไหมก็รวยไม่รู้เรื่องเราเป็นในิริทานแล้วก็พาลานา ยกมาแต่ละอย่างทานบาทหนึ่งทานอาละวาด ท, ทานไม่ที่อีแปะเดียวก็เป็นเรื่องทานยกก็อย่างจนเป็นเรื่องที่หน้าทานพู้ที่เลือกอีแปะนี่คือถ้ามีเรื่องนี้เขาก็จะยกมาเป็นดีทานเป็นสารทุกข์เมื่อกี้เราพูดถึงอีแปะอีแปะในเงินจีน ไม่รู้เทียบเงินไทยกี่ตังไว้ลยเพราะไม่ตาแปะคนนันแกไม่ชอบทำทานแกจะเป็นคนต่อจานาให้ทำไมแล้วถยพระให้พระเสียเปล่าไว้เจ้าได้กินเบอเพื่อหลังแกไหว้เจ้าแล้วก็ยังได้กินเขาบอกนันพระกดว่าแกาตายตาแปะคนนี้ ตายเสร็จแล้วมันว่างๆเขาก็พาไปดูก็กอพาไปดูก่อนดูสวรรค์ก่อนพอเกยังไม่ได้หมดอายุขัยเราก็เอาพาไปดูดูอามาผิดคนชื่อเมันกันหมดแสบมันกันหมดเอามาผิดคนเราพาไปดูเคยไปดูดูสวรรค์โอ้โหสวยงามอลังการน่าดู บอขอเข้าไปดูข้างในได้ไหมบอกไม่ได้เขาบอกเข้าไปไม่ได้บอกทาไมไม่ได้ะคนลื้อทำบุญอะไรไว้อ่ะก็ามลึกไปทำบุญอะไรไว้ว่านะบอกทำกันตั้งหนึ่งอีแปะนะบอกเทวดาบอกว่าเขาเพราะว่าหนึ่งอีแปะนี่แหละเทวดาเป็นประตูสวัส์นะไม่ใชแค่ประตู กลับมาว่าฟื้นกลับมาเนี่ทำบนใหญ่เลยผมก็เคยมีมาก่อนหลายคนนีลักษณะอย่างนี้โอ้เชื่อว่าโอ้แค่อีแปดเดียวมันได้แค่ประตูสวรรค์น เ, เนี่ยเนาะก็บอกลูกหลานทง บ, บนลักษณะอย่างเนี้ยคือตายไปแล้วฟื้นคือกว่าฟื้นกลับมาเขาบอกแปะเอาผิดตัวหรือว่ายัางเขายกยังไม่หมดหรือชื่อเหมือนกัน เออเทวดาวมาคกุาพราดเหมือนกันเนาะเออพญา ย, ยมกับพาดเหมือนกันชื่อเหมือนกันอืมหลายลักษณะเป็นลักษณะเนี่ยก็เระคือเมื่อกี้เราพบดขินไว้ว่าที่ดดยเราเป็นเน้นเรื่องทานจนมากเกินไปหลอยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแต่ตัวที่สำคัญ ตัวที่ผู้เช่าเริ่มจริงๆก็คือในใจสาขาคือสินนะตอนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือที่เป็นอย่างนี้บางั้งนไ่เอาพระหลืองมาหมแท้ๆมันก็อย่างทำได้มันก็มีใค่สั ญ, ญลักษณ์เท่าั้นเองในใจมันไม่ได้คว่าเห็นพระเลยในประเด็งทุกงานอต่เนี่ยทุกงาน นเป็นเรื่องที่เราการว่าคน ด, ดีต้องระวังคนไม่ดีอันนี้คิดว่าคงไม่ใช่กุฏิเดียวนะะักษาแล้วเอาไว้ช่วงนั้นต้องขึ้นไปสวดมนต์ไปทำพิธี่อนช่วงที่มีใครอยู่ทียวคงจะโดนเปนหลายท่านกระบบองมันพูดไม่ใค่กล้าพูดนี่ก็เล่าให้พวกเราฟั ง, งความเป็นคนเปนมนุษย์ ก็เป็นพระดึงบอกว่าศีลนี่เป็นจุดเริ่มต้นส่วนทานเอาไว้สมหรับโลกนี้เท่านั้นทานไม่จำเป็นต้องเป็นจถตุปัจปใจ อ, อื่นๆก็ได้ทานในการเสียสลยากกันแบ่งปันอะไรก็ได้ที่เป็นแสดงด้วยความมีน้ำใจต่อกันนั่นก็ถือว่าถืประสงค์ จะไปเล่นทานจานอโอ้โหบางคนทานห้าบาทเอาถวานนิพพานะปเปจะโยโห์ถูเลยห้าบาทซื้อนิพพานไดน้แต่วันนี้เพิ่มขึ้นแล้วนะค่าของเงินเพิ่มขึ้นสองหมื่นสองหมื่นไปนิ้พานได้ใครเสียสองหมือนไปนิพพานได้ค่าเงินได้เดี๋ยวขึ้นเนาะทองมันขึ้นนอืมคนก็ยังเชื่อยอยู่นะให้คือศรัทธา เขาก็ยังเชื่อว่าเออเสียงสองหมือนเข้าคอไปได้พานได้สามเดือนเป็นโสดาได้เอาอย่างนั้นเลยทีนี้เราลืมลืมไปว่าหลังงแก่ในศาสนาพิธีทุกครั้งที่ตั้งมีคือไหว้พระเราก็เป็นเน้นเทศอังส ม, มาสวภขาโตสุปริปรนโอแล้วก็แล้วกันไป เราลืมนึกถึงก็อบอบกพุทธคนณธรรมคนณาสาคนที่แทจริงคืออะไรเราไปนเน้นได้คําสวดมันก็เลยเปความเข้าใจของคนเป็นเรื่องไม่น่าเสียดายพทุทธคนณธรรมคนณสาสนาคุณเท่สวดกันเนี่ยเราตามประชาธวันเยน็นพุทธานสติธรรมาลัตธิสังขารนิสติตสสตพุทธาพิทูติงธรรมาพิทูติงก็คือชมเชยนิสติก็เราเรากึกถึงเชา้ชาคําเช้าคําเนี่ย เป็นเรื่องที่เราย้ำอยู่เสมอว่าถ้าจามใจก็ตามเาอายัางเข้าไปถึงใจศาสนาคมนะมันจะเป็นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่กลับไปมองที่าศาสนาอื่นเขาที่ความเชื่อเอาเฉพาะที่เชื่อก่อนนอกจากาศาสนาเรายังมีาศาสนาอื่นที่เขาไม่เชื่อ ศาสนาในโลกมีสประเภทคือศาสนาพูดนับถือพระเจ้ากับไม่นับถือพระเจ้าคือมีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้าพูดยังไงเนี่ยศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยน้อยน้อยมากๆเราก็หนึ่งในนั้นคือไม่ไม่มีพระเจ้าอี ส, าสาาอัตยานะครนบเขามีพระเจ้าก็มีผู้สร้างโลก แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุม่มใหญ่ตอนนี้ก็คือคนที่ไม่ได้ตือศาสนาเลยคือเขาเรียกผู้ปฏิเสธพระเจ้าผูา้ใน่ศรัทธาในพระเจ้าเยอะนะไม่น้อยเยอะมากๆในโลกใบนี้มีทั้งอิสลามมีทั้งคริสต์ในกตือที่ศาสนาเก่าศาสนาจิ๋วศาสนาจิวได้เยอะ ในพิ้นบ้านเป็นคริสต์เป็นอิสลามจิงแตงไม่เข้าโบสดไม่เข้ามัสยิดไม่ละหมาดนี่เยอะนะเพราะนักไฟที่เราเชื่อเนี่ยเราก็เชื่อกันว่าของเราก็สองพันสองพันกว่าปีเ5 6 7้าร้อยหกเจ็ดปีถ้าไม่หัวอยู่พุทธเจ้าคริสต์กสองพันยี่บสี่อิสลามก็พันสี่ร้อยกว่า อิสลามเกิดหลังคิด600กว่าปีคริสที่เกิดหลังเรา500กว่าปีาศาสนาพรรม์ไม่มีบันทึกาศสาศสนาซิ ก, กเกิดในยุคของอิสลามกบราณเกิดประมาณเนี่ยจณพิประชากรบนโลก8พันล้านคนอินเดียพัน400ล้านแซงจีนไปแล้วนะเมื่อก่อนจีนอันดับหนึ่ง แต่ว่าแสงแสงไม่เยอะจีนก็พันสี่ร้อยล้านแต่ว่าพันสล้านของจีนเนี่ยคือเขาไม่ได้สนใจถึองาศาสนามาเกือบร้อยปีมาแล้วาศาสนาไปนเรื่องงมงายไปเรื่องได้สาระไม่มีวัฒนธรรมอย่างนี้ไม่มีในจีนประดี๋ยใหญ่พันสี่ร้อยล้านเนี่ยมันก็เลยแต่พิธีกรรมที่เป็นม า, ายานเท่านะั้นแต่ว่าอยู่ใน สัน ย, ยาวอนุญาตให้ดูสันยาวนี้เองไม่ให้เผยแพร่เผยแพร่ดูสายมายานันชาวพุทธเราก็ประมาณจากเขาทั่วโลกนับจีนด้วยนะบารย์ยั 1, 3, นก็พันสามร้อ ย, อ, ยา 7, อากแปดพันอันนสที่เน้ากลัวคือทีนี้เรามาเจออย่างสมมติเจออย่างสมมติเจออย่างจะมาเจอนี่ย ถ้เป็นศาสนาอื่นเขาจะคิดย่างไงก่อนนี้เมื่อแค่ศาสนาพุทธเบื้องต้นไม่ได้มากมายเลยเลยแค่เริ่มต้นแค่ห้าข้อขอให้จริงจังเนี่ยยังไม่ได้เลยมัน ไ, ไม่ได้เยอะเลยนะห้าข้อ น, นั้นคนที่รักษาห้าข้อไม่ได้เนี่ยผลคือผลเสียผลกลางเคียงผลกระทบ จากห้าข้อเนี่ยพร้อมมองดูข้อหนึ่งสองสามสี่หถ้าเรายังนึกไม่ออกก็มองปฏิคุปปุราจะทันคิดว่าตอนนี้ราจะทันป่ะเนี่ยจะไม่มีที่อยู่แล้วปัญหาหลักใ น, นคนเยอะสเสียเสร็จคนหล่นคุก เยอะกว่าผ้าอีกนะก็อยู่ในคุกเนี่ยถามว่าคนที่อยู่ในคุกเพราะอะไรเราไปถามผู้คุมเลยเจอเข้อหาอะไรเขาหาว่าอะไรไม่ได้ยอมรับนะเขาหาว่าลักทรัพย์เขาหาว่าอนะ่านไม่ได้ทำเก็าหาว่าก็าไปอยู่ในนั้นเป็ น, สนแสนๆหน่อยดู ไม่ใช่ห้าข้อนะแต่ผลกระทบมันตามมากคือมันไม่ใช่แค่นั้นเลี้ยงดูปูเสือข้าบลลาอาหารต้องเลี้ยงภาษีใครเงินใครจ้างเจ้าหน้าที่มันไม่ใช่ได้น้อยนักประมาณที่หมดไปกับของเป็นว่าแสนล้านน้อยไปนะแต่เห็นไหมแต่ภาพรวมเรามองไม่ออกว่าทำไมเราถึงให้ ศินหา้าเป็นเรื่องจริงจังนิดหนึ่งแต่เราก็เป็นเน้นที่ฐานตอนมีผลกับคนคุกเลยม่ผลเลยแต่เนินทานโดยภาพรวมแล้วอันนี้ไม่ได้ว่ากันเราทานเพราะความโลภทานเพราะอยากได้นะแต่ลืมคุณสมบัติของข้อหนึ่งที่คำว่าทานคือจากา จาขาคุณสมบัติของจาข้าเนี่ยคุณจะตรัสไว้ชัดเจนในธรรมจักรก็มีบ่าวจาโคปฏินิสโคมุติอาณาอลไอยู น, นี่มีคุณสมบัตินะจากก็คือสละออกไปแล้วหลดมือไปแล้วอย่าไปทวงอย่าไปทักผัวให้เมียก็อย่าไปว่าเมียให้ผัว ก, ก็อย่าไปว่าผัวให้ไปแล้วพี่ให้กลับไปว่า น, นไปทะเลาะกัน อะไรกันเงินสามร้อยทวายพลาดต้องสองร้อยเาจะเอาอะไรกินเห็นไหมคนหนึ่งกินดีคนหนึ่งไม่กิน ด, นนดีอันนี้ไม่ใช่จากขาล้วอย่างตัวเองอย่างนี้แหละคุณสมบัติที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าวัตถุประสงค์ไม่ต้องการให้เราเป็นคนตระนี่จากโคคือสละออกไปแล้วเี่องจากจากโหปฏินิสโคคือไม่คิดว่าแล้วแต่ ถ้าจะไปทําอะไรจะไปคิดว่าโอ้ถ้าไหวไปแล้วตั้งสองร้อยสมมุติว่าพระเอาไปซื้ออย่าบ้าทําไงเอาแล้วจะถาวายไปแล้วสองร้อยพระเอาไปซื้อหวยจะทํายังไงมันไม่แล้วอ่ะคือให้ออกกมือไปแล้วมันต้องจบอย่าไปคิดจากหัวปฏินิสควมุตติคือพ้นจากตัวเราแล้วเนะ่ ก็ต้องมันมีอนาอะไรอยู่คือมม่มีความหงหาอะไรมันแล้วแต่คือทานมันสาเร็จแล้วมันได้ผลแล้วโอ้คนทานไปแล้วเฮ้วันนี้ทานขนมจิ น, น้ําเงี้ยวพอชอบมากพอจะได้กินหรือเปล่าออแล้ววัถนายพระพระชันให้หรือเปล่าคือแทนที่จะเป็นบุญโชดพระชันให้เนาะ ตอนนี้โยมาเกือบ65เซฟน่ะยาสบอหลวงพ่อนะก็จะต้องชันในทุกคนคิดว่าผลจะเป็นยังไงหลวงพ่อน่าจะไปสวรรค์ก่อนแล้วเก่งใจโยอะไรก็เข้าปากหมดไม่กินไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ถึงเนียหลวงพ่อจะไปสวรรค์ก่อนแล้วอันนี้แค่นี้ะนะถ้าว่าจะเป็นร้อยจะเป็นพันนะ อย่าไปคิดคือทานเราให้ไปแล้วมันสําเร็จแล้วเพราะมันสําเร็จได้ด้วยใจไม่สําเร็จได้ด้วยกายมันสําเร็จที่ใจเพราะอีก ม, มิติหนึ่งคือผู้อายอีกโลกหนึ่งเขาสําเร็จได้ด้วยใจนะเขาไม่ได้สําเร็จที่กายนะเพราะเขาไม่มีกายมีกายแต่กายกายทิพย์กายละเอียดกายยาของเราไม่มีเพราะนครสําเร็จมันอยู่ตรงนั้นมันสําเร็จแล้ว แค่คิดมันก็สำเร็จแล้วสำเร็จด้วยใจเนี่ยนี่หมายมันอยากให้พวกเราทั้งหลายเน้นในแต่ละวันทบทวนศีลตัวเองถึงบอกว่าเบื้องต้นวัดพระเองได้แต่สมาทานศีลเองไม่ได้อันนี้คือภาพรวมส่วนย่ญ่ก็จะขอเจ้าพระคือไปในงานก็จะเป็นอย่างนี้นคือหลวงพ่อองค์นขึ้นมาแท้ก่อนรับศีล ไปลงไปหนึ่งสัายบตักคำมาลหลวงพ่อก็เทศอีกวะก็รับสีจนกลายเป็นสินดับจนลืมไปว่ารับไปเพื่ออะไรรับไปทำไมแล้วรับตอนเช้าแล้วตอนนี้มันมันหมดไปหรือยังไงมันหายไปหรือยั ง, งมันไม่เหลือสักข้ออะไรถึงมารับใหม่แต่งั้นมันก็มุสขาข้อสีก็โดนแล้วข้อสีก็โดนแล้ว จะรับสินไปทําไมเพราะนั้นสินคือการแค่ข้อหมายที่แท้จริงคือการรักษากายกับวาจาเนี่ยถึงไม่ขอไม่ขอกับพระสมานารไม่มาดันมันเป็นสินทันทีตอนเนี้ยถึงไม่ใครมาตามนั่งปุ๊บลงเนี่ยไม่ทันรับสินมันก็เป็นศินทันทีเพราะกัน ร, รักษาแค่กายกับวาจานถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันสบายใจคือทําด้วยความสบายใจทําด้วยปัญญาไม่ได้ทําด้วยสัญญา คือความจำได้หมายรู้เราก็อาศัยแค่สัญญ า, างั้นก็ไม่แล้วใจก็ฝากพวกเราทุกคนว่าที่ไปไปมามาเพราะว่าศาสนาของพวกเราถ้าอยู่กับพวกเราอย่าเดียงเนี่ยมันก็จำกัดจริงอยู่ของเราเนี่ยโซนที่เป็นก็เป็นสนามแล้วเพราะสมรรถภมที่ดีที่สุดสปายะ เอาที่สัปเหร่อแต่โซนอื่นไม่ได้สัปยหรอย่างเราอย่างไม่เราจะไปนยายจะตับเรื่องเวลาเวลาก็ไม่ตรงกันกินไม่ตรงกันนอนไม่ตรงกันหนังเครื่องไปสิบชั่วโมงค่ากับสิบเอ็ดชั่วโมงดีไปรวดเดียวแต่ถ้าไปต่อที่อื่นเนี่ยเป็นสิบสี่สบห้าชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงทั้เครื่องไปอันนี้รวดเดียวคือก็นอนนอนตื่นขึ้นมากสว่าง สิบชั่วโมงไปก็เพื่ออย่างนี้แหละไปเพื่อพูดให้เห็นมีความแต่เราไม่ได้ติดยังศาสนิทเขาเหมือนพระพุทธเจ้าพระทเจ้าเวลาสอนพวกพราหมณ์หรือศาสนาอื่นเราใช้คำว่าศาสนาอื่นมันจึยินมีหลายมีแต่ศาสนาหลายละทิศมีความเชื่อพร่องก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปเปลี่ยน ก็เออมาถือเราทำเหมือนเดิมแต่ว่าท่านบอกอย่างน้อยที่สุดคือห้าข้อเนี่ยคือศาสต์สนาไหนก็ได้ให้คำว่าห้าข้อกเสิบสิบห้าเนี่ยฝรั่งเขามีตั้งนานแล้วในบัญญั็ตสิบประการก็ให้ของเราเนี่แหละสต่โมเสสคือเก่าวกว่ายิสูวีนแล้วก็พีเก่าก็มีอย่างเนี้ยคริสก็มีสองกระพีคือกระพีเกา่ากับกระพีใหม่กระพีใหม่ก็คือยิสู สุนทีศรามัต้องพูดถึงเพราะว่าเขียนก็ทีหลังบอกเป็นกภะเพียของประเจ้าเหมือนกั น, นเขียนกันทีหลังอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆในนั้นก็ฝาก พ, พวกเราทุกคนว่าในธณะที่เป็นนักศึกษาหนังปฏิบัติโดยเฉพาะย่งใกล้ภาษ า, าการแล้วนะว่าภาษ า, าการนี่เราที่ต้องเตรียมตัวยังไงดูจากตัวเลขอายุอาณาความเป็นอยู่ พวกเราหกสิบเจ็บแปดสิบแล้วแต่และคนถ้าเอาพู้เจ้าเป็นเกณฑ์คือ 80, แปดสิบก็ใครเลยก็ถือว่ากำไรแล้วอาจารย์หลวงพวกเราที่อยู่เลยเลขแปดต้นนี้เหลือมไม่ได้เยอะเลยโดยเฉพาะเลขเก้านี่ยังน้อยเลขเก้าลำต้ อ, อยผู้ถึงที่จะมานั่งพู่นั่งบนอย่างนี้ไม่มีแล้วเพราะนั้นเลขเก้าเพิ่งไปก็ ได้แต่กราบไหว้สักการะ บ, บูชาแปดสิบปองค์ก็ไม่เทศไม่รู้ว่าจะเบื่อพวกเราหรือเปล่าหรือมันไม่เทศแต่ใช้พิธีพูดทําให้ดูทําให้ดูแต่ว่าสอนโดยการทําให้ดูมันจะให้ผลช้าหน่อยแต่ว่าถ้าใครทําได้หรือมีคนทําได้ทําตามมันจะได้าอา น, นิสงส์เยอะกว่าพูด ยกตัวอย่างเราผู้แหวนขงเราเป็นตัวผู้แหวนไ ม, ไม่ไม่ใช่นักพูดไม่ใช่นักเทศมีนักบรรยายนั่งอยู่ได้ทั้งวันไม่คุยก็ได้คุยถ้าคุยจะยิบเป็นถูกพูดุนวันว่างเท่ไม่ได้ยินเสียงอ่านยกตัวอย่างแต่ท่านก็พูดบ้างแล้วถือไม่ได้เยอะอัปปุสามก็เช่นเดียวกันสตสุร็นไม่พูด เรียกวพูดน้อยบอกไม่พูดก็ไม่ได้ยิาหาว่าเป็นตีนีใบ้ต้องถือว่าพูดน้อยมีคนเห็นปู่ปู่สามกับปูดุลเห็นกัน ก, ก็ยกมือไหว้ถ้าข้างนอกเลยพระก็จะไม่กราบกันถ้านอกวัดนะพะนั่งก็ฝากพวกเราด้วยไปพระมันเป็นวินัยของพระก็แค่ยกมือไหว้กันถ้าเป็นข้างนอกนะ ไปเหตุเขาจะม่กราบกันเช่นเจอในโรงพยาบาลนี่เขาจะมากราบกันเอาพื้ไปยกมือไหว้เอาเมื่อกันหลวงปู่ ด, ดุลกับหลวงปู่สามเหตุกันท่านก็แค่ยกมือไหว้โลกศิษฐ์ถามว่าทําไมหลวงปู่ไม่คุยกันทั้งที่สนิทกันนะหลวงปู่หลวงองค์คือตา่ตางกันต่างทําไมหลวงปู่ไม่คุยกัน หลวงปู่ต่อว่าคุยแล้วแปลว่าอะไรไม่ได้ถามากันนะแต่หลวงปู่บอกคุยแล้วคุยทางไหน อ, อ่าครูบาอาจารย์เพราะมันไม่ใช่เป็นทางคุยบอกว่าทุกอย่างมันสําเร็จที่ใจพระเด็นภาษ า, ราธรรมมีภาษาเดียวกันคือภาษาใจเป็นภาษาละคนจริงๆ เป็นภาษาใจนอกนั้นเป็นภาษากายที่เราใช้กันเนี่ยใช้ภาษากายนะเราใช้ทุกวันวันภาษาในะวันมีสองภาษาภาษากายกับภาษาใจส่วนที่เราเข้าใจยากคือภาษาใจเนะี่ยแต่ถ้าใจถึอกันแล้วนนมันง่ายแค่ม่ต้องอธิบายอะไรเลยอันนี้คือการพวกเราทุกคนสำหรับช่วงที่ไม่อยู่นี้ ถึงแม้แล้วพออยู่หรือไปอยู่กระตางก็ อ, อาจจนึกถึงคำของพระพุทธเจ้านึกถึงคำที่เป็นพระธรรมนึกถึงความอป็นประสงค์เป็นอริยสมจริงโอปนายโกเือน้อมก็มอ่าตัวเองอะไรก็ได้คือฟังแล้วมันสามารถที่จะชโลมจิตใจของเราได้ให้มีเนื้อมีหนังมีน้ำชโลมจิตใจย้ายไ้ให้มันเหิดมันแห้งกายคงไม่มีทาใจ จัเแห่งในใจไม่มีน่าวอะไรเลยว่าน้ำใจสำคัญที่สุดเขาฝากคติเขาคิดธรรมะทั้งมดนี่เพื่อเป็นเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติเมื่อเวลาครูบาอาจารย์ไม่อยู่หรือไม่อยู่ฐานอนก็แล้วแต่ซึ่งวันหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นแ น, น่นอนเราจะได้มีแนวแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติจะได้ในเหงาหมืนไปงานลวงปูป่บางคนก็นมาร้องห่ม ร, ร้องไห้ ว่าหมดหลวงปูแล้วไม่รู้จะไปเพิ่งใครเอาพุทธังสนังก็จจามิเคร่งยิ้มทไมคุณไม่พิ่งทําบางสนังก็จจามนี้มีอยู่คุณก็ไม่พึ่งสังฆังสนังก็จจามิพระปฏิบัติเยอะไม่ใช่หลวงปูองค์เดียยหลวงปูไปตามประาติแล้วเนี่ยนี่คือเราพูดฟังใจสะระคมเรายังเข้าไม่ถึงลัาเรานี้ัยเขาไม่ถึงถ กับพวกเราทุกคนด้วยก็ขอปรารถนาความดีที่พวกเราทุกคนพิม์ร่วมทบบําบุญในวพระวันนี้ขออานิสงส์หรือขอความดีอันนี้จงมีจงถึงแก่บรรพบุรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้อิปุ์ทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทาบาพมีนในวันนี้